นะโมตัสสะพหะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพหะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังพังนัมัสสามิบัตินี้จักได้แสดงธรรมกะถาสืบต่อไป จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอวักที่25ว่าด้วยเรื่องภิกษุบ่งเล็บภิกขุวะคะวันนาว่าข้อที่หนึ่งทางพ้นจากทุกข์ของภิกษุ พระพุทธภาษิตจักคุณาสังวโรสาธุสาธุโสเตนะสังวโรคาเนนะสังวโรสาธุสาธุสิวหายะสังวโรกาเยนะสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวรโรมณสาสังวโรสาธุสาธุสัพพะทะสังวโร สัพพะทะสังวุโตพิกุสัพพทุกขาปรมุจจติแปลว่าการสัมรวมจักสุหนึ่งการสัมรวมหูหนึ่งการสัมรวมจมูกหนึ่งสัมรวมลิ้นหนึ่งสัมรวมกายหนึ่งสัมรวมวาจาหนึ่งสัมรวมใจหนึ่งเป็นการดีอันหนึ่งการสัมรวมในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความดี ภิกษุผู้สำรวมในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงอธิบายเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผล่พะด้วยกายรู้อารมณ์ด้วยใจและพูดถ้อยคำด้วยวาจาผู้ใดมีสติระวังไม่ให้อภิชา คือความยินดีอยากได้โทมนัสคือความเสียใจเกิดขึ้นครอบงำได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและว่าจาแต่ละอย่างละอย่างถ้าสำรวมพร้อมกันได้ทุกอย่างทุกเวลาก็ยิ่งเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมในสิ่งทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงพระอัตถกถาาจารย์กล่าวไว้ว่า เมื่อความไม่สํารวมเกิดขึ้นอกุศลธรรม5อย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความไม่เชื่อหนึ่งความไม่อดทนหนึ่งความเกียดคล้านหนึ่งความหลงลืมสติหนึ่งความไม่รู้หนึ่งในการใดความสํารวมเกิดขึ้นกุศลธรรม5อย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความเชื่อหนึ่งความอดทนหนึ่งความเพียรหนึ่งความระลึกได้หนึ่งความรู้หนึ่ง การสํารวมกายวาจาใจนั้นหมายถึงการเบนจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตประพฤติอยู่ในสัมมาจารีตทั้งกายวาจาใจเมื่อสํารวมทวารทั้งปวงได้ก็ย่อมสามารถพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะอภิชาและโทมนัตไม่อาจล่วไหลเข้าสู่จิตใจได้กิเลสไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาส เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารบภิกษุห้ารูปมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุทั้งห้ารูปนั้นรักษาทวารทั้งห้าคนละทวารเท่านั้นคือบางรูปรักษาจักรสุทวารบางรูปรักษาโสตะทวาร วันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นเถียงกันยึดมั่นในทวารที่ตนรักษาแล้วว่าดีที่สุดไม่อาจให้ตกลงกันได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อข้องใจของตนขอให้ตรัสบอกว่าทวารไหนรักษาได้ยากที่สุดพระศาสดาไม่ทรงให้ภิกษุรูปใด ร, รูปหนึ่งน้อยใจตรัสว่าทวารทุกทวารรักษายากเท่าๆกัน อีกอย่างหนึ่งแล้วพวกเธอไม่สำรวมแล้วในทวารทั้งห้าในการระบัตินี้เท่านั้นหามยได้แม้ในการก่อนพวกเธอก็ไม่สำรวมแล้วไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายไม่สำรวมทวารทั้งห้าได้สิ้นชีวิตแล้วดังนี้แล้ว ต, ตักตกะศิลาชาดกโดยย่อว่าเราทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของรากสดร เพราะเราตั้งมั่นอยู่ในความเพียรมั่นในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาดและเพราะเรากลัวภัยเราจึงรอดพ้นจากภัยใหญ่นั้นคำนี้พระโพธิสัตว์พูดถึงความสวัสดีในการเดินทางและได้ครองราชสมบัติในนครตกศิลาได้กล่าวไว้ด้วยความเบิกบานพระไทยในขณะทอดพระเนตรดูสิริราชสมบัติและตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรอันสัตว์ทั้งหลายควรทำแท้ พระตถาคตตรัสต่อไปว่าพวกเธอทั้งห้ารูปได้เป็นคนห้าคนในการนั้นเดินทางไปเมืองตกะศิลากับพระมหาสัตว์แต่เป็นผู้ไม่สำรวมจักสุเป็นต้นจึงถูกยักษิศีที่พร้อมตัวมาจับกินเพราะเธอทั้งหลายไม่ประพฤติในโอวาทของบัณฑิตส่วนพระราชาผู้สำรวมในอารมณ์มีรูปเป็นต้นไม่แลดูนางยักษ์ผู้มาด้วยเพศเพียงดังเทพทธิดา แม้ติดตามมาข้างหลังสเสด็จถึงเมืองตกศิลาโดยปลอดภัยคือเรานี่เองพระาศาสดาตรัสต่อไปว่าธรรมดาภิกษุควรสำรวมในทวารทั้งปวงเพราะเมื่อสำรวมในทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสว่าจักคุณาสังวรโรสาทุเป็นอาทิมีในยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น เมื่อจบธรรมเทศนาภิกษุทั้งห้ารูปได้สำเร็จโสดาปติพน์ปาสินีก็ดีเคยไปที่หนึ่งเขาเอามาท่องในการสวดมนต์รมวัดเชา้าทมวัดเย็นเลยสวดเป็นภาษาบาลีถ้าคนคุ้นเคยกับภาษาบาลีก็จะ เข้าใจความหมายทันทีเริ่มต้นจักขุนาสังวโรสาทุสาทุโสเตนะสังวโรคาเนนะสังวโรสาทุสาทุสิวหายะสังวโรกาเยนะสังวโรสาทุสาทุปาจายะสังวโรมณัสาสังวโรสาทุสาทุสัพพะทะสังวโรสัพพะทะสังวุโตภิกขุสัพพุทขาปรมุจติเนี่ยทายสวดเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นการเตือนสติให้เกิดการสัมรวม ทวานทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ 2. ผู้สำรวมมือเท้าพระพุทธภาสิทธสัญญาโตปาทะสัญญาโตวาจาสัญญาโตสัญญาตั ต, ตมโมอัจฉรโตสมาหิโตเอโกสันตุสิโกตามาหุภิกขุแปลว่าผู้ใดสำรวมแล้วซึ่งมือเท้าวาจา และตนยินดีในภาวนาอันเป็นไปภายในมีใจมั่นคงเป็นผู้เดียวมีสันโดษบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นภิกษุการสํำรวมมือคือการไม่ใช้มือไปในทางชั่วแต่ใช้ไปในทางอันเกิดผลบุญและกุศลการสํำรวมเท้าก็เหมือนกันส่วนการสํำรวมวาจานั้นคือการเว้นวจีทุจริตพูดแต่วจีสุจริต ส่วนการสำรวมตนนั้นคือการสำรวมจิตป้องกันไม่ให้วิตกสามครอบงำคำว่ายินดีในภาวนาอันเป็นไปภายในนั้นหมายถึงการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาข้อว่าสมาฮิโตมีใจมั่นคงนั้นคือตั้งมั่นอยู่ในสมาธิไม่วอกแวกด้วยอารมณ์ต่างๆ ข้อว่าเป็นผู้เดียวคือเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในอิริยาบททั้งปวงอหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะไม่มีตันหาเป็นเพื่อนข้อว่าสันโดษได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องก่อนๆพระาศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันทรงปรารลภิกษุข่าหงรูปหนึ่งจึงตัดพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ชายหนุ่มสองคนชาวเมืองสาบถี ออกบทในพระพุทธศาสนาแล้วยังอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นไปยังแม่น้ำอจิรวดีสงน้ำแล้วยืนผิงแดดคุยกันอยู่ขณะนั้นหงสองตัวบินผ่านมารูปหนึ่งว่าจะเอาก้อนกรวดดีดให้ถูกตาหงนั้นอีกรูปหนึ่งว่าท่านจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้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 บัณดิตในปางก่อนแม้ยังครองเรือนอยู่ก็มีความรังเกียจในบาปแม้มีประมาณน้อยส่วนเธอบวชแล้วในาศาสนาเห็นป่านนี้หามีความรังเกียจบาปไหมเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนให้สงเล่าเรื่องของบัณดิตนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสอดีตนิทานว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าทา น, นชัยสเสวยราชสมบัติอยู่ในนคร อ, อินทปัตแคว้นกุรุ แคว้นกุรุคือนิวเดลีนครหลวงของอินเดีย ป, ปัจจุบันส่วนนครอินทปัตตนั้นคือเมืองที่เรียกว่ามัทุราในปัจจุบันอยู่กึ่งกลางระหว่างเดลีกับเมืองอัครอันเป็นที่ตั้งแห่งทัชมาฮานรถด่วนพิเศษวิ่งจากเดลีไปทัชมาฮานใช้เวลาประมาณสมชั่วโมงหยุดที่มัทุราหรืออินทปัตต์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น พระโพธิสัตว์เป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากรุงอินทปัตนั้นทรงสำเร็จการศึกษาจากนครตกศิลาอันเลอชื่อในศิลปวิทยาคุณกลับมารับตำแหน่งอุปราชเมื่อพระราชบิดาที่วง์คตดแล้วได้รับรราชสมบัติสืบช่วงต่อมาไม่ทรงละเมิดราชธรรมสิบประการ ได้แก่ทศพิธราชธรรมนั่นเองกล่าวคือทานศีลการบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนความไม่ขึ้นไม่ลงคือเสมอต้นเสมอปลายทรงดำริมั่นอยู่ในกุรุธรรมคือศีลห้า เมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ในกุรุธรรมเส้นนั้นพระชนนีอัครมเหสีพระอนุชาอุปราชพราหมโรหิตอมบาดผู้ถือเชือกนายสารถีเศรษฐีมหาอมบาดผู้เป็นขุนคลังคนรักษาประตูและนางวันนธะาสีผู้เป็นหญิงงามเมืองของพระโพธิสัตว์นั้นก็รักษาศีลห้าด้วยเหมือนกันครั้งนั้นในทันตะบุรี แคว้นกาลิงคะพระราชาพระนามว่ากาลิงครองราชสมบัติอยู่ฝนไม่ได้ตกชาเมืองจึงของให้พระราชาส่งคนไปขอช้างชื่ออัญชนะวัสภะของพระโพธิสัตว์เพราะเป็นช้างมงคลมีบุญมากเมื่อนำมาแล้วฝนจึงตกพวกรามผู้แทนแคว้นกาลิงได้ไปยังแคว้นกุรุขอช้างเมื่อได้ช้างไปแล้วฝนก็ยังไม่ตก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 พระเจ้ากาลิงได้กรุธรรมมาแล้วทรงสมทานรักษาให้บริบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาผลในแคว้นของพระองค์ก็ตกต้องตามฤดูกาลแคว้นจึงกลับกระเซฟสราญมีพักษาหาได้ง่ายพระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างจึงตรัสว่าภิกษุบัณฑิตในครั้งก่อนรู้สึกรังเกียจแม้ในศีลอันบริสุทธิ์ของตนวงเล็บเป็นเชิงธรรมตน ส่วนเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วก็ยังทาปาณาติบาตอยู่ได้ทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมมือเท้าและวาจาจึงจะควรดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าหัตถสัญญาโตปาทสัญญาโตเป็นอาธิมีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นนี่แมในสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ย ก็ดังที่เราเคยได้ทราบกันแล้วว่าเมื่อมากขึ้นหรือเจริญมากขึ้นมันก็เจริญแต่เจริญอธรรมมันก็คอยแทรกเข้ามาด้วยคนที่มีศรัทธาต่อพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะมีก็ศรัทธาก็ลดน้อยลงเมื่อศรัทธาลดน้อยลงความเพียรมันก็ลดน้อยลงตาม สมาธิก็ลดลงตามปัญญาก็ลดลงตามไปด้วยด้นบางคนไม่มีความตั้งใจอย่างดังที่ท่านว่าศรัทธาไม่มีไม่มีศรัทธาเพียงพอดัะนั้นทีสัยเก่าๆที่มันเคยได้ทำได้อะไรมาก็ยังตามมามีอำนาจเหนื อ, อเพศภาวะของตนโดยที่ตนเองกอ็ไม่สามารถอยู่ในสมณะสัญญา ก็คือไม่ได้สํานึกเลยว่าตนนั้นเป็นสมณะหรือเป็นนักบวชเนี่ยจึงเป็นเหตุให้คานองกายวาจานะดังที่ภาสิทธทิพระองค์ตัดไว้เนี่ยเยมื่อคานองแล้วก็เป็นคนลืมสติเมื่อลืมสติแล้วก็อกุศลธรรมก็มีช่องที่จะเข้ามาได้จึงไม่มีความละอายเรียกว่าปาราจากิริโอตปะจึงสามารถทำบาปได้แม้ยในเพศภาวะลักษณะนั้น อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจที่สำคัญเหมือนกันสำหรับภิกษุผู้สำรวมในวัดปฏิบัติ 3. ภาสิทธ์ของคนเช่นไรภัยระ้ะพระพุทธภาสิทธโยมุขสัญญโตภิกขุมันตะภาณีอนุทธโตอัดถังธรรมมัญจะทีเปติมะทุรันตัสสะาสิตัง แปลว่าภิกษุใดสำรวมปากพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัดและธทรรมพาษิทธของพิกษุนั้นจึงไพเราะอธิบายความว่าข้อว่าสำรวมปากนั้นคือไม่พูดพร้อยไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องจะพูดแล้วไม่พูดเท็จส่อเสียดคาหยาบและเหลวไหลระวังวาจาไม่ให้กระทบกระเทือนใจผู้อื่นโดยหวังให้เขาเดือดร้อน พูดแต่วาจาอันก่อให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นข้อว่าพูดด้วยปัญญานั้นความว่าคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดไม่ใช่พูดแล้วจึงต้องเอามาคิดกลุ้มใจภายหลังว่าไม่น่าพูดเลยคนที่มีปกติคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดนั้นเป็นคนไม่พูดพร่อยเขาพูดอะไรออกไปเชื่อถือได้ข้อว่าไม่ฟุ้งซ่านได้แก่มีใจสงบ เมื่อใจสงบบาจาและกายก็ปล่อยสงบไปด้วยมีความเย็นกายเย็นใจเป็นวิหารธรรมมีความสุขเป็นผลความพุ้งซ่านเป็นอันตรายของความสุขข้อว่าแสดงอัดและธรรมนั้นความว่าแสดงทั้งพระบาลีและความหมายแห่งพระบาลีนั้นอย่างถูกต้องคำว่าพระบาลีหมายถึงพระพุทธพจน์ยกพระพุทธพจน์อย่างถูกต้องอธิบายถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน วาจาของภิกษุเช่นนั้นจึงจะไพเราะการแสดงธรรมของเธอไพเราะวาจาของเธอควรแก่การฟังควรแก่การยึดถือปฏิบัติตามวิธีจะแสดงธรรมให้ไภเราะเช่นนี้นั้นคือต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะแสดงธรรมเพื่อทำไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อลาบยศหรือเพื่อเสียงสรรเสริญเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่เชตวนาราม ทรงปรารบพระโกกาลิกะมีเรื่องย่อดังนี้ข้อความในพระสูตรสังยุตติกายสขาทวเคลม15หน้า119มีดังนี้พระโกกาลิกะวงเล็บผู้เป็นสิทธิของพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งแล้วกราบทูลว่าพระสารีบุตรโมคลานะไปแล้วสู่อำนาจของความปรารถนาลามก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 ตกอยู่ในอำนาจแห่งความปราถนาลามกพระาศาสดาตรัดท่ามถึงสามครั้งมิให้พระโกกาลิกะพูดอย่างนั้นแต่พระโกกาลิกะหาฝังไม่คงยืนยันว่าพระสารีบุตรโมครายะเป็นผู้ลามกอยู่นั่นเองเมื่อพระโกกาลิกะลุกจากที่เฝ้าไปเท่านั้นเกิดต่อมขึ้นตามตัวต่อมนั้นค่อยๆโตขึ้นแล้วแตกเป็นน้ำเลือดน้าหนองทกาละ ด้วยอาพาตนั้นเขาเกิดในนรกเพราะจิตอาพาตในพระอรสะสาวกทั้งสองปรารบเหตุที่พระโกกาลิกะต้องตกนรกเพราะวาจานี้พระผู้มีพระภาคตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าปุริสัตสะหิชาตสะกุทารีชายะเตมุขเขเป็นอาทิความว่าคนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสําหรับ ให้คนพาลผู้ชอบผู้ชั่วชั่วใช้เชืออเฉลิ้นตนเองผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่สรรเสริญเขาชื่อว่าเกลียโทษลงด้วยปากย่อมไม่ประสบสุขเพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นเนื้อประดาตัวยังเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการทําใจให้ปทุสายในพระสุคตการทาใจให้ปทุสายในพระสุคตมีโทษมากกว่า ในอัธกถาแห่งพระธรรมบทนี้มีความว่าเมื่อพระโกกาลิกะสิ้นชีพไปเกิดในปฐมนารกแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าโอท่านทั้งหลายภิกษุชื่อโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนน่าสังเวชยิ่งนักพระาศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุโกกาลิกะ ถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนภิกษุโกคาริกะก็เคยพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสอดีตของพระโกคาริกะดังนี้ในอดีตการเต่า ต, ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสะแห่งหนึ่งในหิมมวันตะประเทศลูกหงส์สองตัวเที่ยวไปหากินแถวนั้นทาความคุ้นเคยกับเต่า ว, วันหนึ่ง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 ประพฤติสม่ำเสมอไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบดังนี้แล้วตรัดพระคาถาว่ามุคขสัญญะโตเป็นอาธิมีนยะดังพันน า, นามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจในเรื่องการพูดนี่นี่ว่าจานี้ถ้าไม่สำรวมมันก็เหมือนดาบคมคมนี่ที่กับเฉือนตนเองนั่นแหละ การสํารวมวาจาเนะี่ยเป็นสิ่งที่ดีเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนว่าโดยมากแล้วจะเกิดจากความไม่อดทนก็คือไม่อดในการพูดการจานี่แหละถึงประมาณเหมือนเต่านี่มันอดไม่ได้เห็นไหมนะาวางเขาอุตสา่าห์นำพาไปแล้วมด้วยทนต่อ อารมณ์ที่ได้ยินไม่ได้นี่สุดท้ายก็พินาศเพราะตนเองเแต่คำพูดนี้ถ้าไม่คิดไม่พิจารณาก่อนพูดนี้มันก็เหมือนดาบที่กลับมาฟันตนเองเนี่ท่านจึงให้สำรวมวาจา 4. ผู้ไม่เสื่อมจากสัตธรรมพระพุทธภาษิต ธ, ธัรรมมาราโมธรมมรโตธัมมังอนุวิ กินแต่ยังทมังนุสสรังภิกขุสัตถมานปริหายติแปลว่าภิกษุผู้ยินดีในธรรมมีธรรมเป็นที่ยินดีคิดถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เนืองนิดย่อมไม่เสื่อมจากพระสัรธมการยินดีในธรรมก็ตามความระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆก็ตามเป็นคุณสมบัติของท่านผู้ใครธรรม ผู้ใดใคร่ทำอยู่สม่ำเสมอบุคคล น, นั้นย่อมต้องเห็นธรรมไม่วันใดก็วันหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแหละเห็นพระตถาคตสมดังพระพุทธพุท์ว่าโยธ ร, รมมังปสติโสมังปสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราบุคคลผู้ใคร่ธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมย่อมเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวสมดังพระพุทธภาสิทว่าธรรมกาโมภวังโหติ ธรรมเทศีปราภโวผู้ใคร่ทำเป็นผู้เจริญผู้ชังทำเป็นผู้เสื่อมดังนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะวัชิตวันทรงปรารบพระธรรมมารามเทระมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงปรองพระชนมาายุสังขารว่าอีกสเดือนแต่นี้ไปพระองค์จักปรินิพาน ดังนี้ภิกษุทั้งหลายผ่านรูปเที่ยวแวดล้อมพระองค์ปรึกษากันอยู่ว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอภิกษุรูปหนึ่งนามว่าธรรมมารามไม่ยอมรวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการปรินิพานของพระาศาสดาท่านไม่ได้ให้คำตอบแต่ประการใดแต่คิดว่าอีกสี่เดือนข้างหน้าพระาศาสดาจากปรินิพานแล้ว เราเป็นผู้ยังมีราคะอยู่เราจะพยายามเพื่อบรรลุพระอารหัตผลในเวลาพระศ า, าสดายังทรงพระชนอยู่นั่นเองเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ท่านธรรมมารามคิดดังนี้แล้วก็เป็นผู้เดียวเท่านั้นในอิริยาบถต่างๆนึกคิดระลึกถึงพระธรรมหรือคำสอนที่พระศ า, าสดาทรงแสดงแล้วไม่ยอมรวมกลุ่มคุกคีกับภิษุทั้งหลาย ภิกษุหลายรูปกราบทูลพระศาสดาว่าพระธรรมรามไม่ได้มีความเยื่อใยในพระองค์เลยพระทศพลให้เรียกพระธรรมรามเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเหตุผลที่ประพฤติเช่นนั้นเมื่อทรงทราบแล้วพระองค์ทรงอนุโมทนาสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วภิกษุที่มีความรักความเคารพในเราจงประพฤติอย่างธรรมรามเถิดภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่บูชาเราด้วยของหอมระเบียบดอกไม้หาชื่อว่าบูชาเราจริงไหมส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงชื่อว่าบูชาเราแท้จริงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าธรรมารามโมธรรมรรโตเป็นอาทิมีระยะดังพันน า, นามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระธรรมารามได้บรรลุอรหัตผลแล้วแล ศาสติ์นี้ก็เราก็คุ้นเคยกันดีการปฏิบัติบูชาพระองค์ทรงสรรเสริญจะอะไรก็ตามถ้าปลารบธรรมถ้าปฏิบัติธรรมย่อมประเสริฐกว่าอย่างอื่นแน่นอนท่านก็เลยยกย่องผู้ที่ปรารบธรรมผูะการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นพระพุทเจ้า เอ็นว่าเพื่อจ้าเพราะชื่อว่าเห็นธรรมห้าไม่พึงดูหมิ่นลาบของตนพระพุทธภาษิตสลาพังนาติมันเยยะนานเยสังปิหยังจเรอันเยสังปิหยังพิกุสมาทิงนาทิคัสติอัปลาโพติเจพิขุ สลาพังนาติมัญติตังเวเทวาประสังสันติสุทธาชีวะมะตันทิตังแปลว่าภิกสุไม่ควรดูหมิ่นลาบของตนไม่ควรปรารถนาลาบของผู้อื่นภิกสุผู้ปรารถนาลาบของผู้อื่นย่อมไม่บรรลุถึงสมาธิภิกสุแม้ว่าจะเป็นผู้มีลาบน้อยแต่ไม่ดูหมิ่นลาบของตน เทวาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุเช่นนั้นผู้มีชีวิตบริสุทธิ์ไม่เกียรติคร้านอธิบายความว่าลาบของตนแม้น้อยก็ให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนส่วนลาบของผู้อื่นหาเป็นเช่นนั้นไม่เงินหนึ่งบาทของเราย่อมอำนวยประโยชน์แก่เราตามราคาของมันแต่เงินของคนอื่นแม้แสนแม้ล้านก็หาอานวยประโยชน์แก่เราประการใดไม่ เพราะฉะนั้นจึงควรพอใจในลาบของตนไม่ควรพอใจในลาบของผู้อื่นเพราะความพอใจในลาบของผู้อื่นเป็นทางมาแห่งบาปและทุจริตมีอาทินนาทานเป็นต้นภิกษุเมื่อพอใจในลาบของผู้อื่นใจของเธอย่อมฟุ้งซ่านไม่อาจเป็นสมาธิได้ดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าแม้จะเป็นผู้มีลาบน้อยก็พึงพอใจในลาบของตน ไม่พึงดูหมิ่นลาบของตนพึงตั้งใจเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์เลี้ยงชีพด้วยความบากบั่นมันเพียรไม่เกียจคร้านภิกษุผู้มีปกติอยู่ดังกล่าวนี้เทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญมนุษย์ก็ยกย่องเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะเวรุวันทรงปรารบพิสุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ ภิกษุรูปนั้นเป็นสหายกับสานุรสิทธิ์ของพระเทวทัตวันหนึ่งสิทธิ์พระเทวทัตถามเธอว่าอาหารการครบันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อภิกษุรูปนั้นตอบว่าพอเป็นไปได้จึงบอกว่าที่นี้คือที่ที่เราอยู่นี้มีลาบมากท่านจงอยู่ที่นี่สักสองสามวันเถิดภิกษุนั้นยอมอยู่สองสามวันแล้วกลับสู่ที่อยู่ของตน นำเรื่องนั้นบอกแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระตถาคตว่าภิกษุนี้บริโภคส ก, การะที่เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตพระศาสดาตรัสถามเธอว่าเป็นความจริงหรือภิกษุนั้นทูลว่าจริงแต่เธอไม่ได้ชอบใจลัทธิของพระเทวทัตเลยพระศาสดาตรัสเตือนว่าธรรมดาภิกษุพึงยินดีด้วยลาบของตนเท่านั้น การยินดีราบของผู้อื่นไม่สมควรเพราะวิปัสนามรรคและผลย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยินดีราบของผู้อื่นคุณสมบัติเช่นนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ยินดีด้วยราบของตนดังนี้แล้วตรัดพระคาถาว่าสลาพังนาติมันเยยะเป็นอาทิมีนยะดังพรรณนามาแล้วแต่ตนผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ มากน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้ ย, ย่อมสบายทั้งกายและใจแม้มีน้อยก็สบายไม่เดือดร้อนเป็นสุขยิ่งกว่าปล่อยให้ความอยากมันเกิดขึ้นอยากในสิ่งที่ไม่ควรอยากปรารถนาในสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาแต่ไม่ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้มันก็ทําให้อาสวะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นความชั่วที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นได้ เพราะการไม่ยินดีไม่สันโดษในสิ่งที่มีที่ได้นี่นี่โดยแต่เป็นทำข้อเตือนใจ